พระธรรมเทศนาแผ่นที่108รดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนธานีแสดงธรรมในวันที่12มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าอรหันตเจดีเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์โอเห็นพี่น้องส่าทายญาติโยมมาจากลบบุรี ศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อสมชายพระอาจารย์สมชายที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อออกจากวัดป่าบ้านตาดลูกศิษย์หลวงตาได้มาพาศิษยานุศิษย์ทราบว่าทั้งสองร้อยคนนะแต่จะถึงหรือเปล่าวะเ <c oughs> มื่อคืนขึ้นไปพักที่วัดปูก้อนตอนเช้าได้มาลงมาที่ตักบาทแถวยาวเหยียด ที่ตักบาดหน้าโรงพยาบาลอำเภอนาอยยวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12มิถุนา ย, ยนพุทธศักราช2560วันนี้ตามปกติหลวงพ่อจะเข้าไปฉันข้างในนั้นลูกหลานเพราะจะมาฉันที่นี่วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระหรือวันงานจะมาฉันใช้ศาลาหลังนี้ แต่วันนี้ทราบ ว, ว่าพี่น้องทางรบปุรีทันทัพันทานพระอาจารย์สมชายท่านได้จะพาคณะทายาทโยมากราบคารวะกูบายอาจารย์ในสถานที่ต่างๆตั้งแต่บ้านตาดขึ้นมาแล้วก็มาทัศนศึกษามาวัดป่าภูก้อนมากราบพระภูก้อนแล้วก็มาพักค้างที่ภูก้อนเช้าลงมาตักบาด ท, ที่วัดหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้เอา บอกให้พระจัดสถานที่นอกตรงนี้มันกว้างขวางกว่าที่จอด ร, รถได้ง่ายกว่าได้ออกมาฉันข้างนอกแต่ตามปกติถ้าเป็นวันนี้แล้วก็เข้าไปฉันข้างในแบบเรียบง่ายอันนี้เป็นว่าศาลารับแขกบ้านแขกเมืองก็ว่าได้นะวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอกับคณะทาญาทโจม ทางลบุรีหลวงพ่อเองก็เคยไปที่วัดท่านพระอาจารย์ชมชัยเคยไปหล่อพระพระประธานถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เคยไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคยไปค้างที่ท่านในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลทหารหลวงพ่อก็ได้ไปงานที่ล บ, บุรีจากนั้นก็หลวงพ่อเองก็มีภาระ สาธารณกิจที่อื่นมากมายที่จะที่จะได้ไปเห็นแล้วก็ไปแต่ละครั้งก็อบอุ่นเห็นพี่น้องชธายาจโจิโยมทางจังหวัดลบบุรีให้ความเคารพเอื้อเฟือ้อต่อวัดแล้วก็ไปเห็นวัดของอท่านพระอาจารย์สมชัยไปปีแรกๆ ก, ก็เห็นน้ำท่วมพอไปต่อมาเห็นต้นไม้เหมือนกับปกเสก เศษคาถาให้ต้นไม้เหมือนขึ้นเร็วๆลักษณะอย่างนั้นแหละไปเห็นโอ้โหมืดเต็มไปหมดเป็ น, น้นว่าท่านจเจ้าอาวาดท่านอาจารย์สมชายท่านมีบา ร, รมีทีเดียวทั้งกุตติทั้งวัดวาศาสนาร่มรื่นนะที่ไปเห็นสุดท้ายนะเด็ด ก็ปีสองปีละทัดเดียวนี้คงจะหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่แหละอันนี้ก็คือการปฏิบัตินำทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าเราจะรักษาจุดที่ตรงนั้นที่วัดป่าบ้านตาแห่งเดียวต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันที่เดนนำทำคำสอนขององค์หลวงตา ไปประพฤติปฏิบัติที่ไหนเป็นชลิปเป็นมงคลทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาพาลานาสีสาเกตพาลานาสีกรุงสาวัตถีกรุงราชคืพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทรับอยู่ในละแวกนั้นแสดงพระธรรมเทศนาโปรดโปรดเวนัยยศ แต่พวกเราก็าอยู่ห่างไกลจากอินเดียถึงประเทศไทยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกิโลกี่ร้อยกี่พันไมล์เราก็ได้นําปฏิปทาขององค์หลวงตาอของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติหลวงตาก็นู่นหลวงปู่มั่นหลวงกูบาจานแต่และองค์ก็รล้วนแล้วจะนําปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติทั้งนั้น ท่านกลมั่นใจว่าได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างองค์หลวงตาท่านก็ประกาศให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังถึงท่านจะอยู่ห่างไกลจากประเทศอินเดียท่านกระประกาศาว่าถาดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานี่อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราพี่น้องลู ก, ล, กลูกขององค์หลวงตาที่ได้เขาไปศึกษาในองค์หลวงตาแล้วก็ต่างคนต่างขยับขยาย ไปตั้งวัดสร้างวัดแล้วก็ขอให้นําแนวทางปฏิปทาขององค์หลวงตาพาดําเนินมาท่านดําเนินยอย่างรออรที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาก็ให้สิทธิอนุสิทธิ์ที่รักเคารพเชื่อถือในองค์หลวงตานําไปประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลองค์หลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าน้องผือนาไลา อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครแต่หลวงตาก็นำทำคําสั่งสอนหลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติที่บ้านตาดพวกเราก็ได้ไปศึกษาที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็ได้นําปฏิบัตาขององค์หลวงตามาประพฤติปฏิบัติที่วัดป่านาคําน้อยเนี่ยต่างคนก็ต่างนําปฏิปทาไปป ร, ประพฤติปฏิบัติ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ่งหลวงตาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลสําหรับตัวของเราพวกเราท่านทั้งหลายเองแต่หากพวกเราทําความชัว่วหลวงตาก็ช่วยไม่ได้แตอย่างพระเทวทัตยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้อีกต่างหากบริวารของพระเทวทัตก็ไม่ใช่น้อย ที่นับถือพระเทวทัตทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เมตเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกทั่วดินแดนไม่มีเลือกนาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระเมตตาขนาดพระเทวทัตเองก็ยังสํานึกว่าเอาเถอะหามเขาเราไปเถอะไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าความว่าอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครไม่มี พระ อ, องค์มีเมตตาเสมอภาคกันพระ อ, องค์เมตตาทาพาราหุนอย่างไรก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกชั้นนั้นพระเทวทัตก็ยังรู้นะแต่ความอิจฉามันมีในใจเทวทัตผลในสุดแผ่นดินก็สูบเทวทัตไปนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ, อถึงจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ว่าแนวความคิด มันแปลกแตกต่างจากพระพุทธเจ้ามันก็ไปอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นได้ฟังนี้ก็เหมือนกันนะนะถึงจะเป็นสิทธิอนุสิธิ์ขององค์หลวงตาเหมือนกันแต่ความแปลกแวกแนวออกจากองค์ปฏิปทาของท่านอันนี้ก็ให้ทุกคนกม็มุ่งมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริง เพื่อจะยึดแนวแถวองค์หลวงตาพาํำเนินดังนั้นก็ให้พวกเราทุกทุกท่านนะผู้ที่เป็นศิษยานุสิษิ์อย่างโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ขึ้นว่าพยายามเดินตามแนวแถวขององค์หลวงตาพาําเนินแต่จะให้เปียบทีเดียวคงจะไม่ถึงขนาดนั้นะแต่ถึงอย่างไรจุดใหญ่จุดใหญ่คือหลักธรรมวินยัย ที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาอย่างไรเราก็พยายามดําเนินเตินตามอย่างนั้นนี้ก็เนี่ยขอให้พระเน่นลูกหลานของหลวงพ่อที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อนี่ทั้งหมดมีตั้งสามรูปนะพระทั้งวันทั้งในวัดของเราบางทีก็น้อยลดลงมาแต่ไม่ถึงยังไงก็ไม่ต่ากว่า20นะ่สิบนแต่มากก็ไม่เคยเกิน60นะ ก่อนนี่แหละในระหว่างนี่แหละโดยมากกันสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบโดยตลอดบางทีเกือเกือบห้าสิบเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อบอกกล่าวให้พระเนนของหลวงพ่อได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาการอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องสังเกตต้องดูลงพ่อก่อนได้ศึกษามาจากองค์หลวงตากระดู ในเมื่อพวกพระเนหลวงพ่อที่อยู่กับหลวงพ่อก็ต้องดูนําแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์พ่อว่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราก็ยัไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมละ่ะถ้าเราเห็นพระพทุทธเจ้าถ้าเราตายยังไม่ตายจากข่าวนั้นน่ะเราก็คงจะได้นําแนวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าทุกอย่างมาบอกมากล่าวให้กับพวกเราฟังแต่นี้ก็ ครูบายอาจารย์กระสืบทอดกันมาใครๆก็คิดว่ามั่นใจในแนวที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดตาบอดคำช้างอย่างที่ว่านะั่นนะค่คนไหนคำถูกตรงไหนถ้าถูกในทางที่ดีก็ดีถ้าถูกไปคำที่ผิดที่ผิดทางก็ทาให้เสียหายได้อีกเหมือนกันนั่นะ เพราะความสําคัญผิด น, ะนี่เตียงองค์หลวปู่ขาวก็เหมือนกันหลวงปู่ขาวท่านบอกสมัยนั้นอ่ะท่านระลึกชาติได้ได้หลวงปู่ขาวท่านบอกสมัยนั้นอ่ะเราก็ได้เกิดยุได้เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่เราเไปเลื่อมใสศรัทธาในพระโกกาเล็กนะพระโกกาเล็กคือลูกศิษย์ของพระเทวทัตอีกนะ เราก็เลยออกจากชาตินั้นไปเราก็เลยตกนรกตกนรกไม่นานนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเป็นปลายแถวปลายหากไม่ใช่หัวหน้านะหัวหน้าว่ายังไรก็ยกุกยกมือตามแต่ผลที่จุดตัวเองก็ได้รับบาปกรรมช่วนหนึ่งตกนรกจากนั้นก็พ้นขึ้นมาท่านก็ได้บําเพ็ญบุญบารมีของท่านก็มีมากจน หลวงปู่ขาวเนะี่ยพวกศิษย์ยาวิศย์คณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งในยุคปัจจุบันองค์หลวงตาท่านก็ยอมรับเหมือนกันมาองมหลวงปู่ขาวได้เป็นพระที่ภาวนานและบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนะี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อเล่าให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟัง เราเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในองค์หลวงตาแต่ขณะนี้เวลานี้ในช่วงนี้จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตานสัทยาธิโจมวันที่17ที่จะถึงนี่แหละจะมีการเซ็นสัญญาที่วัดป่าบ้านตาก็มีได้บริษัทมารับเหมาแล้วนะ แล้วก็ผู้ว่าจ้างก็หลวงพ่อสุดใจนะั่นนะปินเป็นจออาวาสนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สร้างพระเจดีย์เนี่ยตกลงกันเขาประชุมกันหลายครั้งแต่หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปล่ะหลวงพ่อมีแต่ ฟ, ฟังอยู่ข้างนอกนะเงี่ยงหูฟังตลอดติดตามอยู่ตลอดเ็ว่าได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าได้บริษัทสบุญเมริ์บริษัทมาจากกรุงเทพ แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยเขาจะมาเริ่มเริ่มงานแล้วก็เซ็นสัญญากันตกลงกันแต่จะสร้างแต่พระเจดีกับศาลาลายนะแต่ส่วนพิพิธภัณฑ์นะั้นยังย่งไม่ได้เซ็นสัญญาสร้างสองอย่างก่อนเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นยังมีรายละเอียดอยู่มากเพราะว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์ บางทีพระธรรมคําสอนของหลวงตาเนี่ยมีมากหลวงตาเทศไว้ตั้งเกือบเกือบหมื่นกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเทศหลวงตานมีมากจริงๆเราจะจับคําคมคําไหนที่จะเอามาเข้าสู่ไปพิพิธภัณฑ์ถ้าเราจับเข้ามามากเอามามากเราก็ต้องเพิ่มห้องให้ใหญ่ขึ้นถ้าเราเอามาน้อยไม่กี่คําเราคงไม่จําเป็นจะต้องสร้างห้องใหญ่ แเราก็จ้องสร้างห้องเล็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรายังสัญหาไม่ได้ว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องพิพิธภัณฑ์เลยเอาไว้ก่อนยังไม่ได้เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาแก่ซ า, าลาลัยกับพระเจดีแต่ศ า, าลาลัยนี่ก็คืออะไรศ า, าลาลัยก็คือเหมือนกับศนะาลาเป็นซาลาเป็นเหมือนโบสถนะ์อย่างลักษณะโบสถ์เหมือนซาลาลายเวลาพี่น้องประชาชนเข้ามาหรือเข้าไปกล่าว มีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นองค์นึงแต่พระพุทธรูปองค์นี้ก็ทราบมาว่าทังผู้ออกแบบทั้งคณะอาจารย์มหาวิทยายลัยผู้ออกแบบว่าพระพุทธรูปเนี่ยทุนก็หม่อมฟ้าหญิงเป็นผู้จองและท่านอาจารย์อจองพระ อ, องค์ท่านจะเป็นองค์หล่อหล่อพระประธานแล้วก็มีรูปหลวงปู่เสาอยู่ทางซ้ายมือพระพุทธรูป อยู่ทางซ้ายพระหัตพระพุทธรูปหลงปู่มั่นอยู่ทางขวาแล้วก็หลงตานั่งอยู่ตรงกลางได้ต่ํากว่าพระพุทธรูปนั่งสูงกว่าหลงปู่เสาหลงปู่มั่นนั่งอาชนะเสมอกันแต่หลงตาเนี่ยนั่งต่ํากว่าหลงปู่เสาหลงปู่มั่นอันในตรงกลางเนี่ยนี่แหละในสลาลายจะมีเพียงสี่พระพุทธรูปหลงปู่เสาหลงปู่มั่นหลงตาแต่เจดีสูง60เมตร กว้าง20เมตรโดยรอบกลมวงกลมแต่แกนในจะมี9เมตรใครๆว่าลงแต่รอบนอกรวมกันเป็น20เมตรแต่จะมีแกนในจะมีแต่อธิธานหรือพระาธาตขององค์หลวงตาเท่านั้นอยู่ตรงกลางทั้งในไม่มีลูกใครๆว่าผู้คนทั้งหลายเขาไปกราบคารวะไปกราบอธิธานพระาธาตขององค์หลวงตา อยู่ในพระเจดี JD, แต่ข้าจะกราบรูปแล้วก็มากราบรูปที่สาราลายนี่แหละอันนี้คือเราจะสร้างที่วัดป๋าบ้านตาดแล้วก็มีพมิพิธภัณฑ์ด้วยนะอันนี้ก็คือแนวความคิดแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งสองอย่างเจดี JD กับสาราลายงบออกมาแล้วนะจะเซ็นชั้นยาวันที่17ที่จะถึง4น0ี่ยเล้าน 2 อ, อย่าง490ล้านตัพิพิธภัณฑ์ยังไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นสัญนยาแตก่ก็คงจะไม่มากเหมือนกับพระเจดีย์พระเจดีย์มี ม, มีที่จะต้องทำมีมากราคาจึงแพงกว่ามีเทคนิคมากกว่านะพูดง่ายๆนะซาลาลายก็มีเทคนิคมากกว่าแต่พิพิธภัณฑ์เทคนิคไม่ค่อยมาก ทําเป็นอาคารหลังตัดแล้วก็มีเนื้อหาสาระพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในนี่แหละอันนี้บอกกล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานถึงยังไงพวกเราก็เป็นลูกหลานขององค์หลวงตาเพราะเหฮลรเพราะว่าหลวงพ่อเองอาจารย์สมชายเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาพวกเราก็เป็นลูกลูกหลานที่รักเคารพในสายของหลวงตาเพราะนั้น หลวงพ่อบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้น เ, เพื่อให้พวกเราได้รับรู้รับทราบการสร้างพระเจดีย์หลวงตาให้ทํำไหมเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ในไม่มีเราศึกษาในพระไตรปิฎกที่ตรงไหนพระพุทธเจา้าปริเิพานแล้วให้สร้างเจดีย์ของเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะเราได้เห็นไหมเราได้ศึกษาไหมเราได้เห็นไหมในพระไตรปิฎกไม่มีมีแต่พระพุทธเจา้าท่านตรัสว่า บุคคลที่สมควรสร้างพระเจดีย์มีอยู่สีประเภทสี่จำพวกคือพระพุทธเจ้าหนึ่งท่านก็พูดตัวของท่านเองนะคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัิเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันตสาวกหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งนี้สมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งไว้ให้คนได้กลับเคารพสักการะบูชาบุคคลสี่จำพวกนี้สมควร แต่บุคคลอื่นกลุ่มอื่นนั้นพระองค์ไม่กล่าวถึงเลยถึงจะเป็นระดับไหนพระองค์ก็ไม่กล่าวเศรษฐีระดับไหนก็ไม่กล่าวกล่าวแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระปัิเจกพุทธเจ้าพระทหารจักรวาลพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิยังมีกิเลสอยู่แต่สมองค์ไม่ต้องพูดถึงพระรหารกับพระปฏิเจกพระพุทธเจ้า แต่ทำไมพราะพุทธเจ้าจึงให้สร้างเจดีย์หรือสตภูมและเจดีย์สำหรับพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีเมตตาต่อพระสงฆในก่อนมีแต่แนะนำให้คนมีศีลห้าให้นกคนมีศีลอุโบสถแล้วก็ให้ไม่คนไม่คนเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราไปกราบอธิธฐานของพระเจ้าจักรพรรดิกระน้อมรำลึกถึงพระเจ้าจักรพรรดิ ก็จะไปสู่สวรรค์ได้พราะพระุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องเจดีย์ของหลวงตาหลวงตาก็ไม่เคยพูดเหมือนกันนะเมื่อเราตายไปแล้วให้สร้างเจดีย์ของเราให้ใหญ่ๆนะใหญ่กว่าทุกองค์ที่เราเคยเห็นมาในประเทศไทยหลวงตาก็ไม่เคยพูดนะอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์เราต้องเทิดชูบูชาพระคุณของท่านเราเคารพในท่านผู้ใดเราก็มั่นใจว่าเนี่ยหลวงตาคือพระหัน์ ท่านประกาศอยู่แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเยียบแผ่นดินอีกนเนี่เราก็รู้ทุกคนได้รับบูรับสา บ, บนะเขาก็นับถือเลื่อมใสในองค์ท่านในเมื่อรงท่านจากไปเราก็พร้อมที่จะน้อมรับเชิดชูบูชาในพระคุณขององค์หลวงตาเราก็เนี่ยเสียสละทุนนะครับเพื่อสร้างพระเจดีย์ทำผู้ใดไม่นับถือเลื่อมใสก็ไม่ว่ากัน จะให้นับถือเรื่มใสทุกคนหรืจะได้หรออย่างพระเทวทัตแท้แทก็ยังไม่นับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเพราะนั้นลูกพวกเราคนนาณาจิตตั้งนานาทัศน์นานาความคิดเห็นแต่บางท่านบางคนก็บอกเออทําให้สถานที่บ้านตากพุกพวกผ่กานวุ่นวายไปลูกผู้คน อ, อันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้พูดเบื้องตน้นนี่แหละ ว่าสถานที่บ้านตัดเราคนหลวงพ่อเคยพูดว่าร้อยหกสไร่อันนี้เป็นสถานที่ภาวนาบําเพ็ญของพระสงฆ์อยู่ข้างในอันนี้เราบอกเป็นสังขาวาสสังขาวาสคืออาวาสที่อยู่ของพระสงฆ์แต่อยู่ข้างนอกเป็นพุทธาวาสเป็นสถานที่เคารพทั้งฆราวาสด้วยทั้งพระสงฆ์ด้วยมากาบฆราวะ เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นพุทธาวาสเป็นสถานที่บรรจุพระพุทธพระพุทธะพระบรมสารีริกธาตุประธาตของพระทหารหรือประธาตขององค์หลวงตาอันนี้แปลว่าพุทธาวาสพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แต่ที่นี่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์บําเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ข้างใน ตรงนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญเป็นที่กราบไหว้ของ อ, อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4เรียกว่าพุทธาวาสคารวาสเขตคาราวาสหมู่บ้านต่างๆในละแวกนะั้นเป็นว่าเตขตคาราวาสนะข้อสาคัญอย่าให้มันมาครกุกเขาคุกขี่กันทนะ่นะานนเขตคารวาสอย่ามาก้าวไายเขตพุทธาวาส พุทธาวาตท่านไม่มีจิตวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยมีแต่สังคาวาดจะไปก้าวไก่ท่านมนก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันพุทธาวาตก็อยู่ในพุทธาวาตสังคาวาดก็ชื่อสังคาวาดคารวาดก็คือคาราวาดให้แยกกันให้ออกนะนี่แหละเอาเราเร า, เราทำสร้างต้นี่สร้างเป็นพุทธาวาดเป็นที่บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ ท า, าพวกเราแยกออกอย่างนั้นแล้วใจของเราก็จะได้รับความสบายเรื่องอะไร เ, เรามีสิทธิ์ใครจะสร้างที่ไหนก็ได้ อ, อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่อสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเสร็จแล้วนะหลวงพ่ออาจจะมาสร้างที่วัดป่าบ้านต า, ส ร, าสร้างที่วัดนาคำน้อยอีกก็ได้เพราะเลยเราสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อสร้างเจดีย์หลวงพ่อนะ เราจะสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหรือหลวงพ่อสมชายของเราอาจจะสร้างเจดีขึ้นมาประพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาที่วัดของท่านเพื่อเชิดชูบูชาของหลวงตาก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างได้บุญต่างสนบงังบุญกุศลถ้ามีกําลังนะแต่ถ้าไม่มีกําลังอย่าทำอย่าทำนะหลวงตาห้ามอย่าทำ อย่าให้อยาลบกวนคนอื่นเข า, เ, าเมื่อไม่มีกำลังอย่าทำาถ้ามีกำลังแล้วเออเอาทำไม่เป็นไรจะทายาโยมเขาถวาย เ, าเป็นหน้าที่ของพวกเขานะแต่วัดป่าบ้านตาัด เ, เป็นปการลบกวนคนอื่นเขาไหมหลวงพ่อกขาได้สืบสอบดูแล้วว่าศรัทธาญาโยมเขาถวายจะตกปัจจัยที่วัดป่าบ้านตาดต่างกลัมต่างวาระ ตั้งแต่หลวงตาจุตินิพพ า, านตั้งแต่วันที่30ปี53าสาจะมาถึงบันนี้เงินหยอดตู้หย่อนตู้เพื่อจะสร้างพระเจดีย์นะไม่ใช่เงินบํารุงวัดป่าบ้านตานะเนงินหย่อนตู้พระเจดีย์ที่จะสร้างพระเจดีย์นะหลวงพ่อทราบมาว่าเถียวนี้มีอยู่500 530ยหรามสิกว่าล้านนะข้าราชกาญาติโยมสําหรับ เราที่จะที่จะสร้างนี่490ใช่มลอันนี้มัน530กว่าก็น่าจะเพียงพอไม่เดือดร้อนกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเนี่ย บ, บุญบา ร, รมีของหลวงตานี่ท่านคุ้มครองถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่สร้างละ่ะถ้าเราไม่สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ล่ะเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปไว้ไหนพวกเราคิดดูสิจะเอาเงินไปไว้ไหนเงินก้อนนี้เงิน500กว่าล้านจะไปแบ่งกันอย่างนั้นใช่ไหม หลวงพ่ออินเอาร้อยล้านไงบ้านตาละร้อยล้านหลวงปู่รีร้อยล้านหลวงปู่เมียร้อยล้านอย่างนั้นจะไหลใช่ห้ชหมเหรอหลวงพ่อไม่เอาด้วยไม่เข้าร่วมร้วยเ อ, อไม่เอามาเด็ดขาดเงินพระเจดียนะ์นี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดให้กว้างกว้างคิดดูให้ไกลเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเป็นของใครไม่ใช่ของหลวงพ่อจุดใจนะไม่ใช่หลงของพ่ออินนะไม่ใช่ของผู้ใดเป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาหลวงตาเป็นคนคนเควนกลางขั้นเกิดมาท่านไมได้เกิดมาอุทิศกับผู้ใดทั้งหมดท่านเกิดขึ้นมาแล้วนะท่านบําเพ็ญของท่านเป็นโดดเด่นโดดเด่นจนได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลจากนั้นเมื่อท่านจุตินิพพานไปแล้วเนะี่ยพวกเราคนะในฐานะลูกหลานสิทธิ์ทั้งหลายนะควรจะเชิดชูบูชาในพระคุณของท่าน น, ะนี่แหละขอฝากหลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังกับเนี่ยนะ หลวงพ่อชมชายพระอาจารย์ชมชายเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาหลวงพ่ออินมีความเห็นอย่างไรแนวความคิดเห็นหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้คณะจต่ า, ศ า, ศ า, ศา ญ, ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชมชายทา้งลบุรีให้ได้รับรู้รับทราบเพราะนั้นบางท่านบางคนอาจจะมีความคิดความเห็นแปลกแตกต่างแต่หลวงพ่อไม่เห็นไม่ได้มีความคิดอะไรมีแต่คิดเชิดชูบูชาเท่านั้น หลวงพ่อปีนี้ก็7สบสปีนะั้นะลูกหลานนะแต่ถึง75ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อพยายามนะถ้าหาว่าพอใจหายใจได้หลวงพ่อก็พยายามขยื้อหายใจให้ได้75็ดสห้าเพราะเห็พระเจดีย์ลงตาเสร็จซะก่อนนะอถ้าหาว่าลงตาใจขาดเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหลอได้เห็นเจดีย์ลงตาลงตาเลยสปีนะสปีเมื่อเส็นสัญญาตีละครั้งแป้งอะไรกันนะ เซ็น ส, สัญญาตามสัญญาในสามปีสองปีเนี่ยจะเสร็จโครงสร้างทั้งหมดอีกหนึ่งปีจะตกแต่งภายในที่พูดกันเขาว่าอย่างงั้นนะแต่หลวงพ่อติดตามอย่างว่ า, อ ย, าอย่างว่านนะหลวงพ่อได้ทราบได้รู้ได้ทราบยังไงก็มาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษานะให้ฟังเอาไว้มันเป็นไปตามที่หลวงพ่ออินพูดไหมพวกเราไปฟังเอาไว้นะพวกเรามีสองหูนะ ฟังหูไว้หูนะแต่หลวงพ่อพูดทางนี้เท่านั้นอย่าไปเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะให้ฟังเอาไว้ให้สังเกตต้องใช้ปัญญาตาบอกพวกเราใช้ตั้งความสงสัยตั้งสังเกตไว้นะั่นคือบอกบอกเกิดแห่งปัญญานะถ้าหลวงพ่อพูดอะไรเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะบางทีหลวงพ่อจะพาดึงเขาล็กเข้าป่าก็ได้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราใช้ปัญญากันกรองตรายตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ย มีเหตุผลไหมถูกต้องไหมน่าฟังไหมเออเอาสิ่งที่ยังไม่ถึงเราฟังไปก่อนนะเราฟังไปก่อนจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ย น, ะนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะเราวิชาในโลกมันมีทั้งมากมายมีหลายเรื่องหลายราวทุกวันในทุกวันเนีน เ, นเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างต้มตุนหลอกลวงกันทั้งที่บ้านเมืองเจริญเจริญม า, มามากต่อมาก ยังดอกต้มตุนกันได้ง่ายๆฮ <Hey. S 1> ทําไมเป็นอย่างนี้วะโลกเนะี่ยสรุปแล้วก็คือความขี้โลภของมนุษย์นะผู้ใดก็าตามถ้ามีความโลภในะจิตใจแลยถูกข้อหลอกก็ตมได้ง่ายๆนะลูกหลานนะทศายาจนะูงเพราะนั้นเรื่องความโลภตัดมันออก่าให้มีความโลภของโกรธความหลงไม่ดีทั้งนั้นละ่ะถ้าจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอยู่ที่ไหนดีหมดเนะอะต่อนี่ไปหลวง พ, อพ่อได้พูดในแนวความคิดมากมาย หลายอย่างให้กับพวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในทันี้นะ